ไต e ่ถามผู้รู้เพื่อหาเหตุผลเหตุการณ์ในระยะที่ยังคงติดสมาธิอยู่นี้ท่านกล่าวด้วยระลึกคุณของท่านอาจารย์มั่นว่า หากไม่มีท่านอาจารย์มั่นมาชุดมาลากออกไปก็จะติดสมาธิอยู่เช่นนี้กระทั่งวันตายเลยทีเดียวแม้กระนั้นก็ตามก็ยังไม่ยอมลงใจง่ายๆกลับมีข้อโต้เถียงหาเหตุหาผลกับท่านอาจารย์มั่นชนิดตาดำตาแดงทีเดียวจนถึงกับว่า พระทังวัดแตกหงือกันมาเต็มอยู่ใต้ถุนกุฏิเพื่อฟังการตอบโต้กับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ได้โต้ครูบาอาจารย์ด้วยทิฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดแต่เป็นการโต้ด้วยความที่ท่านมีความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าอันนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งของท่าน ส่วนท่านอาจารย์มั่นก็จริงอันหนึ่งของท่านเช่นกันจึงเป็นการโต้เพื่อหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์จริงๆแต่สุดท้ายท่านก็ยอมหมอบราบต่อเหตุผลต่อความแยกขายด้วยความรู้จริงเห็นจริงของครูบาอาจารย์การโต้หาความจริงในครั้งนั้นของท่าน เริ่มด้วยคำถามของท่านอาจารย์มั่นว่าท่านมหาสบายดีหรือใจลูกสิ์ตอบสบายดีอยู่สงบดีอยู่ครับกระผมท่านจะนอนตายอยู่นั้นเหรออาจารย์ถามต่อพร้อมกับแสดงสีหน้าสีตาแบบเอาจริงชนิดเตรียมเข็นเต็มที่แล้วว่าท่านรู้ไหม สุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมลูกศิษย์โต้เหตุผลกับอาจารย์ทันทีว่าถ้าหากว่าสมาธิเป็นตัวสมุไทยแล้วสัมมาสมาธิ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 เป็นสัมมาสมาธินะเอาเอาพูดออกมาสิคราวนี้ลูกศิษย์จึงยอมลงใจยอมมอบราบต่อครูบาอาจารย์เพราะชัดเจนในเหตุผลแล้ว